จะแผ่ความปรารถนาดีบุญกุศลของเราไปให้ใหกับสัพพสัตว์ก็อีกครั้งหนึ่งนะที่เราไม่ได้นึกแต่เฉพาะบุปการีพอร่อแม่ลูกหลานขอให้คิดนึกแม้กระทั่งคนที่เขาทาไม่ดีกับเราเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์นะเวลาเราแผ่เมตตาสัเพส ต, ตาเนี่ยนะก็ให้คลุมไปถึงคนเหล่านั้นด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ยกเว้นนะ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 เดียว่าแตา่ทำความดีเลยนะแม้กระทั่งได้โชคได้ลาบนะแม้กระทั่งได้โชคได้ลาบถ้าลืมตัวนี่ไอโชคลาบนี้าก็กลายเป็นศูนย์เป็นนะเ <c oughs> มือ่อเมื่อเร็วๆนี้นี่เขา <c oughs> เขามีคลิปนะวิดีโอนะเป็นภาพการเตะลูกโทษนะในเมืองไทยนี่แหละนะเตะลูกโทษก็คงจะเป็นนัดสำคัญ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 กระบาดกระบาหลังพอหลานเผลอนะลุงก็ถีบเลยนะทีบหลานลงจากรถกระเดินลงไปจากรถนะ่ยหลังจากที่ได้ลอตเตอรี่แล้วก็ถีบเลยนะหลานก็ตายไอ้ลุงก็ได้ลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลแต่ปรากฏว่านะไปไม่รอดนะถูกตำรวจจับ